สถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับปรุณข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนโมาทําหน้าที่ของความเป็นสมเด็นในการให้ท่านบุฟังให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือว่าถ้าเคยได้ฟังแล้วก็ให้ฟังซ้ําก็ได้แล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดนี่คือข้อที่2ข้อที่สก็มาชี้ทางสวรรค์ให้นะว่าฟังธรรมะี่แหละเป็นทางไปสู่สวรรค์ การให้ทานนี่แหละเป็นทางไปสู่สวรรค์าการทําบุญทํากุศลโดยการที่เรารักษาศีลนี่แหละเป็นทางไปสู่สวรรค์มาพบปะทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ใ น, ในทุกสัปดาห์ท่านบุฟังข้าพเจ้าขอสักวันหนึ่งขอสักวันหนึ่งในที่ว่าจะให้ท่านบุฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเรื่องราวของพระสูตรที่มาในพระไตรปิฎกลองคิดดูนะจากนี้ไปอีก10ปี10ปีหรือ20ปีก็แล้วแต่ อาทิตย์นึ่งเราก็พูดสักพระสูตรนึงนินไปเรื่อยๆปี1พูดห2าพระสูตรนินไปเรื่อยๆ10ปีเราพูด520รพระสูตร20ปีเราพูด1น4 0งพระสูตรเราจะเป็นผู้ที่สามารถอ่านพระไตรปิฎกได้หมดเลยแต่เราฝังฝนะังไปทุกสัปดาห์นี่แหละนั่นะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าความรู้ความเรียนอะไรที่มันอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องที่จะทําจิตใจของเราให้สูงเนี่ยแล้วเราก็ค่อยศึกษาไ ป, ท, ไปทําไปแต่ทุกสัปดาห์ ทำปีให้เป็นเดือนทำเดือนให้เป็นวันแล้วนะเราก็จะหน่าประโยชน์จากตรงนี้มากกัพระเจ้าก็ขอสักวันนึงแหละในสัปดาห์หนึ่งนะถ้าไม่อยากฟังก็ทนฟังไปอย่างท่านผู้ฟังที่มาวัดบางคนมาก็าบอกว่าโอวันพฤหัสนะชอบฟังน้อยกว่าวันศุกรนะ์ชอบฟังวันศุกร์มากกว่าแตนะ่บางคนก็บอกสลับกันนะพวกที่บอกว่าชอบฟังวันพฤหัสนะมากกว่าวันศุกร์ก็มีแล้วนกะ็ฟังทั้งสองวันนั่นแหละทั้งพฤหัสและศุกร์ ส่วนใหญ่นะทั้งฟังก็จะมากู้กันโดยในวันพฤหัสข้าพเจ้าจะนําเรื่องราวที่เป็นพระสูตรต่างๆเหล่านี้มาอ่านให้ทั้งผู้ฟังฟังนะยาวบ้างสั้นบ้างขายายบ้างย่อบ้างนะตามเวลาที่มีก็นะฟังกันไปวันศุกร์นั้นก็จะมาอธิบายเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นในสัปดาห์นี้ก็ได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองจาตุมคามประเทศอินเดียโน้น ท, ทั้งผู้ฟังที่อาจารย์ตุมคามในที่นั้นก็เป็นตะัวอย่างของการที่พิกษูตรเนี่ย ทำให้พระพุทธเจ้าลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมะนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากนักแต่นะก็เลยบอกสอนในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรามาดูในทางกลับกันก่อ น, นก่อนที่เราจะเริ่มไปในเนื้อหาของอพระสูตรนั้นการที่บุคคลนะไม่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมนั้นก็มีอยู่พระพุทธเจ้าได้เคยพูดบทเพี้ยนชนานี้ ยกย่องพิสูจอยู่หลายรูปนะสัก3าสี่รูปนี่แหละที่นึกได้ตอนนี้ก็จะมีท่านพระปุณณน ะ, นะท่านพระปุกุษาติเป็นต้ น, นสองรูปนี้พระพุทธเจ้าได้ยืนยันว่าเป็นบุคคลที่ไม่ทำให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมะบรรลุพระอาหารหันรูปหนึ่งคือท่านพระปุณณะบรรลุปเป็นพระอนาคามีที่ไปอยู่ในชั้นอากานิทะภพแล้วก็อีกรูปหนึ่งคือท่านพระปุกุสาติ แต่ที่ทําให้พระพุทธเจ้าไม่เป็นผู้ลําบากเพราะเหตุแห่งธรรมแต่เพราะอะไรเพราะบุคคลเหล่านี้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติให้มันถึงการที่มันจะได้ผลคือถ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วว่านี้เป็นอย่างนี้แน่นอนแหละ ว, ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วทําให้มันเกิดขึ้นอันนี้ดีแต่บางคนทําเหยอะห่อแย่แย่ทำแบบรูปรูปคลำคลำทาแบบขอไปทีทําพอสาบานนาไม่ตายแต่ล้วก็บอกโอ้ไม่ได้ผลแล้วก็ไปเที่ยวพูดทําไม่ดี งั้นงี้อันนี้ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลําบากด้วยเหตุแห่งธรรมไม่ดีไม่ดีแต่ตัวอย่างในที่นี้ก็คือมีพระใหม่พระที่บวชแล้วไม่นานเนี่ยประมาณ500ร้อยรูปในพระสูตรนี้คือมาในจาตุมัสูตรอันนี้คือมาในมัชฌิมานิกายเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสาข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบหกในที่นี้ได้อธิบายถึงภิกษุใหม่ในที่บวชแล้วไม่นาน500อรูป ตั้งแต่บวชมาก็ยังไม่เคยพบได้เคยเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบวชอุทิศพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยเจอก็เหมือนกับพระปุกุสาตินั่นแหละนะยังไม่ทันบวช ด, ด้วยซ้ำยังไม่มีวิปชาตด้วยซ้ําแต่ไม่เคยเจอไม่เคยพบพระพุทธเจ้าต้องการจะมาพบมาเจอพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระปุกุสาตินี่ที่ว่ามาพบเจอพระพุทธเจ้าแล้วแต่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองก็ยังนั่งสมาธิจนถึงเที่ยงคืนกว่าก็ยังไม่นอนเออนี่ปฏิบัติดีฮะนะในทางตรงข้าม พวกภิกษุใหม่พวกนี้อยากพบเจอพระพุทธเจ้าเด็กก็เลยให้ท่านพระมหาโมคลานะท่านภาษารีบุตรนภามานำพาม า, นะ า, มาตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่เมืองจ่าตุมคามนี่แหละนำะพามาถึงที่พักของพระพุทธเจ้าแล้วถึงวัดแล้วเด็กก็เข้าที่พักทีนี้อีตอนเข้าที่พักนี่แหละแล้วก็โอ้ยเสียงดังกันมากเตม็มฟังเอตเลตเฮโลเสียงอื้อคึกึกโครมขึ้นอย่างกับ ชาวประมงเขาแย่งปลากันที่สะพานปลาแต่คือที่สะพานปลาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าประมูลปลาชาวประมงจะปลามาปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่แต่ที่จะไปรับซื้อปลาจากชาวประมงนั่นแหล ะ, จะเจ้าตัวนี้จเจ้าตัวนั้นตัวนี้เล็กไม่ได้ตัวนั้นตัวนั้นใหญ่ฉันให้เต่านี้เตอให้ตัวนี้นโ อ, โอ้เสียงดังมากอันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เคยไปเห็นเองนะแต่ว่าดูจากสารคดีสมัยก่อนเคยดูสารคดีแล้วก็จําภาพเหล่านั้นได้แต่บาอย่างที่ญี่ปุ่นเวลาเขาเอาปลามาที่ตลาดปลาเนี่ยเขาก็จะประมูลกันคนนี้ก็จะ พูดเสียงนี้ขึ้นพวกนี้ก็จะพูดเสียงนี้ขึ้นที่ประเทศไทยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอีกแบบหนึ่งแต่แต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปแต่เสียงอึกระทึกครึกโครมอื้ออึงกันมากแเอาตัวเล็กตัวใหญ่ชั้นให้เท่านี้เธอให้เท่านั้นมีการที่จะเป็นลักษณะนั้นก็เสียงอึกระทึกครึกโครมนั่นแหละแต่ว่าในอริยวินัยนี้ตบะฟังในวินัยของพระอริยเจ้าเนี่ยยินดีในความสงัดเงียบยินดีในความหลีกออกเร้นยินดีในการไม่คลุกคลีกัน หรือแม้แต่พวกอื่นๆปริพาชคทั้งหลายเขาก็รู้นะว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นผู้ที่ยินดีในความสงัดเงียบยินดีในความเงียบเสียงแม้แต่มาทําเอตโตรนี่มันไม่ถูกไม่ดีเราก็เลยเรียกให้ท่านพระอนุนเนี่ยพาภิกษุเหล่านั้นมาลหลังจากทราบว่าเป็นพวกทาเสียงเอกระตึกอื้อเอิญเราก็ถามพวกภิกษุเหล่านั้นว่าเฮ้ยทาไมถึงทําเสียงดังกันมีเสียงสูงต่ำเอกระตึกอื้อเอิกันแต่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้น ท่านผู้ฟังถ้าสมมติเราถูกพระพุทธเ า, าถามหรือ ว, ว่าทำผิดทำไมหรือว่าไม่ต้องถึงขนาดเป็นพระพุทธเจ้ก็ได้ถูกครวบาอาจารย์ถามเนี่ยหรือว่าชี้โทษให้เนี่ยว่าทำผิดทำไมหรือว่าชี้โทษให้เห็นว่าตรงนี้เป็นความผิดเนี่ยเราจะมาอธิบายความผิดของเราว่าเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องอธิบายเลยท่าฟังนี่แก้ไขเลยถึงขนาดนั้นมันจะต้องกราบถึงขนาดนั้นมันจะต้องแบบรู้ตัวแล้วว่าต้องแก้ไข แต่ภิกษุพวกนี้นะครับให้เหตุผลมาโอ้ทํอยางี้เป็นอย่างนั้นกลับให้เหตุผลในการที่การทําผิดของตัวเองอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้แสดงเห็นถึงความที่ยังไม่มีฮิริโอตปะหรือคือถ้าถึงขนาดถามกันขนาดนี้แล้วเนี่ยจะต้องขอขมาประพุทธเจ้าละนะว่าตัวเองโอ้ทำไมดำ่ดีทําผิดแต่แต่ตรงนี้ก็ไม่รู้โทษของตัวเองด้วยซ้ําแำชี้โทษใหนะ้ด้วยการถามว่าทําไมถึงทําอย่างนี้นะก็ไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษของตัวเอง มีเสียงสูงเสียงต่ําก็ บ, บอกถึงความที่เสียงดังนั้นแต่เนะพราะว่าจะเสนาสนะคุยกับภิกษุเจ้าทินอยู่เลยต้องมีเสียงดังอย่างนั้นไปอีกแตนะ่ไม่เห็นโทษโดยความเป็นตทษของตัวเองแล้วนะแต่เราก็ขอเข้ามากระทำคืนตามตามไม่เป็นอย่างนั้นนะนี้เริ่มทําให้พระพุทธเจ้าลําบากเพราะเหตุแห่งธรรมละแตนะ่ถ้าเป็นลักษณะ น, นี้ทางฝั่งพระพุทธเจ้าก็อาจจะขวนขวายน้อยก็ได้ซึ่งในที่นี้เป็นอย่างนั้นเรื่องราวที่มาในจาตุมสสูตรเนี่ย เป็นอย่างนั้นนั่นะคือพระพุทธเจ้าขวนขวายน้อยนะั่ที่จะบอกสอนว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ดีนะหรือจะว่าจะบอกสอนอะไรต่างๆแต่ น, นั้นขวนขวายน้อยละก็เลยขับไล่ภิกษุพวกนี้ไปซะเออไปซะหนีซะหนีอย่าอยู่ที่นี่นะไปนะให้ออกไปจากอาวาสนี้นะขับไล่ไปไม่ให้อยู่คนที่ถูกพระพุทธเจ้าขับไล่แต่ฝังโอ้โหจะไปอยู่ได้ไงในที่นั้นก็ไม่ได้ขอโทษด้วยนะนังนั้นก็คิดว่าคงเป็นเพราะว่า เสียใจที่พระพุทธเจ้าขับไล่แล้วก็เลยยังไม่ได้คิดว่าจะแก้ไขหรือจะทํำยังไงแตนะ่ซึ่งในคําอธิบายท่านก็อธิบายว่าภิกษุเหล่านั้นมีความโทมนัสมีความเสียใจแล้วก็เลยพากันหลีกไปโดยที่ยังไม่ได้ขอโทษอะไรแล้วก็พากันหลีกไปออกไปละอยู่ไม่ได้ซึ่งก็ยังมีผู้ที่ช่วยเหลือท่ามาฟังก็มีเจ้าสักยะนะคนหนึ่งในที่นี้เขาก็ไม่ได้ระบุชื่อว่าชื่ออะไร แต่ว่าความที่เป็นเจ้าสักยะเนี่ยก็คือหมายถึงเป็นญาติของพระพุทธเจ้าแต่เพราะว่าในเชื้อสายสักยะเนี่ยเขาเป็นญาติกันทุกคนไม่ว่าจะนามสกุลอะไรแต่ถ้าเชื้อสายสักยะก็ถือว่าเป็นญาติกันเนื่องจากพวกนี้เขามีการรักษาต้นกำเนิดเขาอย่างดีแต่พวกชาวสักยะนั้นมาอยู่ที่เมืองจารุมะขามอยู่ที่นั่นแล้วเห็นภิกษุเหล่านี้นั่นคือคนที่บวชในธรรมะอะไรนี้แต่เป็นพระเนี่ยก็ถือว่ามีเชื้อสายสักยะเหมือนกันเป็นครอบครัวเดียวกัน แต่พอเขาเห็นพระเขาก็มีความศรัทธาจึงถามสารทุกขสุติเป็นไงมาไงเขาก็พบว่าเอาถูกพระพุทเจ้าไล่หนีมาเนี่ยโอ้เดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเ๋ยจะไปทูลบอกพระพุทเจ้าให้เผื่อว่าจะแก้ไขสถานการณ์ไดนะ้คือคนนี้ก็ยังมีสติระลึกได้นะนะว่ า, าถ้าทำผิดก็แก้ไขสิแก้ไขทำไมพากนันหนีมาอย่างนี้เดี๋ยวจะไปพูดคุยให้แก็เลยให้นั่งรออยู่ก่อนแลนะรายละเอียดตัวนี้มีท่านหวังดี เจ้าสักยะผู้นี้มาหาพระพุทธเจ้าขอโอกาสเรียบร้อยยกอุปมาประใหม่สองอย่างแต่ขึ้นสองอย่างเพื่อดิ่จะเรียบเทียบว่าภิกษุใหม่เดีย๋ยบางทีไม่รู้เรื่องอะไร่ถ้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะพากันเสื่อมจากธรรมบในนี้นะมีความน้อยใจมีความแปรปรวนไป น, น้อยใจแปรปรวนไปก็ลาสิขาตั้นเอง เปรียบเหมือนกับพืชที่ยังอ่อนเพนะิ่งเกิดโตขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้น้ำนะจะเป็นยังไงเราก็ถ้าไม่ได้น้ำก็เหี่ยวเฉาไปเทนั้นเองหรือเปรียบกับลูกโคน้อยนะที่ห่างจากแมนะ่มันก็เป็นลูกไม่มีแม่มันก็อาจจะเจออันตรายต่างๆถึงตายได้ยกอุปมาบุม่สออย่างนี้เราก็ทูลขอโอกาสให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอนุเคราะห์ทรงอุปการะเราภิกษุสงฆ์อย่างที่เคยทํามาอย่างที่เคยสอนมา ซึ่งตรงนี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นช่วงที่ได้บัญญัติสิกขาบทอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วคือก่อนหน้านั้นอาจจะมีการบัญญัติวินยัยบัญญัติสิกขาบทจเจอคนทําไม่ดีเขาก็เรียกมาไตาส่สวนสอบสวนเขายังไม่เห็นโทษ ด, ด้วยความเป็นโทษใช่ไหมก็บัญญัตนะิโทษขึ้ น, น ก, ก็เรียกว่าเป็นสิกขาบทเป็นวินยัยนศะีลของพระที่มีหลายร้อยข้อเนี่ยก็เป็นเพราะมีคนทาผิดมาคนทาผิดเหล่านั้นแน่นอนทําให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลำบากเพราะเห็นแห่งธรรมละ่ะ เราก็จึงต้องมีการบัญญัติสิกาวินัยเพื่อที่จะข่มขี่ปรับมาทาอันเป็นค่าศึกต่างๆเหล่านั้นแต่ในกรณีนี้นะที่จะตุมาคาลามพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําอย่างนั้นอันะนี้คือข้าพเจ้าสันนิษฐานเอานะสันนิษฐานเอาเพราะว่าแน่นอนคนที่ทําผิดไม่ได้ปฏิบัติตามศีลต้องให้มาปรับความผิดเนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลําบากด้วยเห็นแห่งทําแน่แต่ก็อุตสาหนะ์อนุเคราะห์อนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ที่ดีเหล่าอื่นนะอนุเคราะห์คนที่จะปรับได้เปลี่ยนได้ ให้ดีขึ้นไม่ได้จึงบัญญัติสิกขาวินยัยจึงเทศสอนบอกสอนจึงเรียกมาไตาส่สวนสอบถามทวนความเนะือเพื่อที่จะให้บุคคล น, นั้นออกจากอาบัติแตนะมีการช่วยเหลือกันตรงนี้แต่ในที่นั้นไม่ได้ทำพนะระพุทธเจ้าขวนขวายน้อยว่อย่างนั้นเถอะขวนขวายน้อยและนอกจากเจ้าสักยะคนนั้นเนะื้อที่พูดอุ ป, ปมาปุไมยสองอย่างนี้ล้วก็มีสหบดีบ ร, รมมาทูลขอพระพุทธเจ้าในเรื่องเดียวกัน สามบดีพรมก็พูดเหมือนกันเป๊ะเลยนะยกอุปมาอุไมยสองอย่างเพื่อให้พระพุทธเจ้าได้อนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์กลุ่มนั้นอย่างที่เคยอนุเคราะห์ต่างๆซึ่งในที่นั้นในะคิดว่าเจ้าสักยากคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เห็นสามบดีพรมมาหรอกแต่แต่คนที่เห็นสามบดีพรมมาเนี่ยก็จะเป็นภิกษุที่มีฤทธิ์อื่นๆที่อยู่ในที่นั้นเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ใส่มาในภิกษุนะี้ซึ่งแน่นอนคิดว่าท่านพระมหาโมกขลนะ เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์นี้นะเพราะว่าท่านมีฤทธิ์มากแล้วก็จึงเป็นท่านพระมหาโมคลานะนั่นแหละที่ไปพาภิกษุเหล่านั้นมาอตรงนี้เราเขารู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้าแบบยินดีแล้วพระพุทธเจ้าขวนขวายในการที่จะบอกสอนแล้วคําอธิบายที่มาในที่นี้ก็คือว่าก็มีคนที่รู้ใจของพระพุทธเจ้าคืออัยาศัยของสมาสัมพุทธนะแต่ซึ่งในที่นี้บางครั้งสามบดีพรม เขาก็ระบุเอาไว้ว่ารู้ความปริวิตกในใจของพระพุทธเจ้าด้วยใจอันนี้เป็นพุทธพจน์เลยนะนะพระพุทธเจ้าบอกว่าสามบดีพรมรู้ความปริวิตตกในใจของเราด้วยใจจึงสเสด็จมาหานะพอสามบดีพรมพูดอย่างนี้แล้วก็มีเจ้าสักยะพูดอย่างนี้มาทูลขอให้อนุเคราะห์พิสูจน์สง ม, ม่นี้พอจิตใจของพระพุทธเจ้าเนาะไปในการที่จะขวนขวายแสดงธรรมเนาะไปในการที่จะบอกสสอนน้อมไปในการที่จะอนุเคราะห์ภิกษุนเหล่านั้น ด้วยการนิ่งด้วยอาการนิ่งเรารู้ได้ไงเราก็อ่านใจกันได้นั่นเองอ่านใจกันได้ซึ่งในที่นั้นก็ท่านพระมหาโมคลานั่นแหละที่ไปพาภิกษุเหล่านั้นมาแต่ซึ่งใ sure. นที่นี้ครัพระเจ้าก็คิดว่าท่านพระมหาโมคลานั้นนั่นแหละนะนี่เป็นข้อสันนิษฐานของข้าพเจ้าเองในที่เห็นสามดีพรมในที่รู้ปริวิตรตกในใจของบรพชาวนั้นจึงไปหาภิกษุเหล่านั้นนําเข้ามา ความขนขวายน้อยที่พระพุทธเจ้าได้ทําเป็นตัวอย่างในการที่ขับไล่ภิกษุเหล่านั้นไปแนะไม่ได้บอกไม่ได้สอนขวนขวายน้อยในการที่จะแสดงธรรมตัวอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็ เ, เลยเอามาเป็นตัวอย่างนังและได้สอบถามกับท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมกขลนะจะได้พาภิกษุ500รูปเหล่านี้มาที่ทําเสียงเกิดตึกอื้อๆเนี่ยแหละเห็นเหตุการณ์ในที่นั้นว่าเขาทําไม่ดีพอนะพระพุทธเจ้า สอบถามทวนถามแล้วก็ไม่เห็นโทษของตัวเองกับอธิบายถึงเหตุผลในการทําความผิดของตัวเองแั่นก็พระพุทธเจ้าควรควายน้อยแล้วขับไล่นี้ไปแต่ท่านพระสารีบุตรมีความคิดอย่างนี้ท่านฟังบอกว่ า, าพระพุทธเจ้าควรควายน้อยแล้วนั่เราก็จะควรควายน้อยด้วยทำตามที่พระพุทธเจ้าเป็นแต่ส่วนท่านพระมหมาโมคลณะมีความคิดว่าเอา้าพระพุทธเจ้าควรควายน้อยแล้วเราจะช่วยบอกสอนภิกษุสงฆ์แทน เราจะช่วยในการบอกสอนภิกษุสงฆ์แทนแล้วก็จึงขวนขวายในการที่จะนําภิกษุสงฆ์เหล่า น, นั้นมาพบพระพุทธเจ้าแต่สังเกตความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าแต่จึงเตือนท่านพระสารีบุตรนว่าอย่าคิดอย่างนั้นแต่คิดอย่างนี้ไม่ถูกแต่แต่คิดแบบพระมหาโมคลานาเนี่ยถูกอยู่ในการที่จะช่วยบอกสอนภิกษุทั้งหลายแล้วก็ยึงยืนยันว่าบุคคลที่ควรจะบอกสอนภิกษุเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้า คือท่านพระมหาโมคลานะท่านพระมหาสารีบุตรท่านพระมหาโมคลานะนี่แหละในเป็นบุคคลที่ควรจะปกครองสงฆ์ในปกครองภิกษุแต่คําว่าปกครองในที่นี้ก็คือปกครองกันด้วยธรรมะหมายถึงว่ามีการบอกสอนชี้ให้เห็นโทษออกจากความผิดอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เป็นลักษณะการปกครองในลักษณะนั้นซึ่งคนที่มีความสามารถตรงนี้ก็คือผู้สอนนั่นเองก็คือพระสมมาสัมพุทธเจ้าในอย่างสมัยนี้ปัจจุบันนี้ พิสูกน์สงฆ์ก็ยังปกครองกันด้วยระบบธรรมระบบวินัยแซึ่งก็คือเหมือนมีพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนก็ทำตามศีลสิกขาบทกันไปแล้วก็ไหนก็วิเคราะห์กันไปช่วยอชี้กันให้เห็นโทษแก้ไขาความผิดของตัวเองไปลักษณะนั้นซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้แต่มาหวังว่าเอท่านพระสารีบุตรนี่ก็มีคุณธรรมอย่างหนึ่งนั่นคือท่านเนี่ยก็พยายามที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าวขวนขวายน้อยก็เลยจะขวนขวายน้อยอยู่เป็นสุขด้วย ท่านพระมหาโมคลานะก็ดีในดีตรงที่ว่าจะช่วยกันปกครองพิสุสง์ต่างท่านต่างก็มีคุณธามที่ดีเป็นของตัวเองอย่างไรก็ตามในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็แนะนําบอกว่าทั้งท่านพระสารีบุตรทั้งท่งานพระโมคลานะเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นผู้ที่บอกสอนภิกษุแล้วก็ตัวพระองค์ก็จะทําด้วยมีจิตใจในการที่จะขวนขวายในการแสดงธรรมแล้วน้อมไปในการแสดงธรรมแล้วมีความอนุเคราะห์กับภิกษุเหล่านั้นแล้วก็เลยแสดงธรรมให้ฟัง ตอนนี้ก็เรื่องสําคัญของประสนี้แหละถามท่านผู้ฟังอย่างนี้ตั้งหวังว่าคนที่จะข้ามแม่น้ําแต่ว่าไม่มีสะพานนะแล้วก็ไม่มีเรือข้ามไปด้วยฝั่งข้างนี้ก็มีอันตรายมากมายแฝั่งข้างนู้นเห็นมองดูแล้วว่ามันปลอดภัยดีแต่จะข้ามไปเนี่ยแพก็ไม่มีเรือก็ไม่มีเราก็ยังกลัวน้ําวนด้วยกลัวคลื่นที่อยู่ในกระแสน้ํานี้ด้วยกลัวปลาร้ายที่อยู่ในน้ํานี้ด้วยแล้วกลัวจระเข้ด้วย กลัวทั้งจระเข้กลัวทั้งปลาร้ายกลัวทั้งน้ําบนกลัวทั้งคลื่นแลังจะข้ามไปฝั่งโน้นเนี่ยท่านผู้ฝังจะข้ามไหมคือถ้าเรากลัวภัย4ี่อย่างนี้ที่อยู่ในน้ำํำเราก็จะข้ามไปไม่ได้ล่ะถึงลงไปแล้วพยายามจะเอาไม้กิ่งไม้ใบไม้นะํามาทําเป็นแพรและเกาะแพรพายข้ามไปพยายามด้วยมือและเท้าข้ามไปเนี่ยลงไปได้หน่อยหนึ่งโอ้โก็มันมันกลัวจลเจอเขนะ เป็นกลัวปลาร้ายนะ่เห็นอะไรตุ้มตุ้มต่ำตตรงนั้นกลัวก็กลับมาหาฝั่งเหมือนเดิมอย่างเงี้ยหรือว่าไปได้อีกหน่อยเจอคลื่นเจอน้นําวนเอากลับมาหาฝั่งอีกอย่างเงี้ยนีมันก็ไปไม่ได้ข้ามไม่ได้เนี่ยฝั่งข้างนี้ก็มีอันตรายอยู่ะจะข้ามไปฝั่งโน้นก็กลัวว่าภายในน้ําก็ไปไม่ได้อีกตรงนี้แหละเป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาบอกบอกว่าภัย4อย่างของคนที่บวชใหม่นึกคิดว่าตัวเองบวชมาจะข้ามสังสารวัฏให้ได้ จะข้ามไปสู่ฝั่งนู้นแห่งนิพพานที่มันจะปลอดภัยแต่ว่าพอลงน้ําไปเนี่ยไปเจอภัยสอย่างนีนะ้กลัวภัยสี่อย่างนี้ก็ข้ามไม่ได้ล่ะก็ต้องกลับมาสู่ฝั่งแล้วนะก็เปรียบเหมือนกับพระที่บวชใหม่ดูมัมวฝังนี่เพิ่งออกพรรษานะรับกตินแล้วนะโป้ที่คิดว่าจะศึกคิดให้ดีแตนะ่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะศึกประสงค์นี่แหละที่บวชใหม่นี่แหละแต่ว่าคุณต้องกลัวภัยสี่อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยอุปมาปไะมยัยนะที่พูดถึงคลื่น ก็หมายถึงการที่เป็นพระแล้วมันก็จะต้องปฏิบัติอย่างนี้ตต้องกินอย่างนี้นจะต้องพูดอย่างนี้ห่มผ้าอย่างนี้โกนผมแบบนี้พูดจายอย่างนี้เอาฉันบ่นมาแล้วทาไมต้องให้เขามาสอนแม่ทําอย่างนี้มันยากแตไม่ไหวหรอกไปไม่ไหวหรอกไม่ได้อันนี้คือกรณีของภั่ที่เกิดจากคลื่นแต่ส่วนข้อที่สอคือจระเข้แตลงน้ำแล้วกลัวจระเข้จระเข้เป็นยังไงก็เรื่องปากทองดำมาหวัง อันนี้กินได้อันนี้ฉันไม่ได้ฉันได้เวลานี้อันนี้เวลานี้ฉันไม่ได้เฮ้ยทาไมมันเรื่องมากขนาดนี้ฮะพระเนี่ยเฮ้ยตอนเป็นฆราวามันกินได้หมดเลยนะทุกอย่างนะเ ป, นเป็นไม่ต้องเป็นเวลาไหนอยากกินเวลาไหนก็กินมันได้แต่เป็นพระแล้วอันนี้ฉันไม่ได้อันนี้บอกฉันได้เอาคนหนึ่งก็ว่าเอ้ยยังไงกันแน่เนี่ยอือันนี้คือภัยจากจระเข้อันนี้คือข้อทีสองขอทีสามมันเป็นภัยจากน้ํำวน น้ำมนนี่ก็คือเรื่องของกรรมบุญเราเคยมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยได้ดูหนังดูละครเป็นพระแล้วก็ดูหนังดูละครไม่ได้ไปหาความสุขเช่นนีที่คารพพาต์เขามีกันได้ธรรมดาแต่เป็นพระแล้วจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้ไม่ต้องพูดหรอกมันคืออะไรแหมแต่ว่าจะไปทํามันก็ไม่ดีเอ๊จะทํำยังไงก็จิตใจหวนคิดกลับไปถึงเรื่องกามบุญที่เคยทํามาที่เคยเป็นมาที่เคยได้เสพมาเนี่ยนี่คือเปรียบด้วยกับน้ํำมน ส่วนข้อที่สมคือปลารายปลารายนั่นก็คือเพศตรงขามในที่นี้ก็คือผู้หญิงนั่นเองถ้าพระที่บวชมาแล้วเข้าไปบินตบานเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งห่มว้าตรงนี้เปิดตรงนี้นะตัดเย็บชนิดที่ผ้าไม่พอก็เลยมีราคาเสียแทงจิตในความที่ราคาเสียดแทงจิตจากการที่เห็นคนที่นุ่งชั่วห่มชั่วนั่นแหละอันนี้คือปลาลาย น, นี่คือข้อที่สคนที่ลงน้า เพื่อที่จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นกลัวภัยสี่อย่างนี้ข้ามไปไม่ได้ทัางฝั่งเขาข้ามไปไม่ได้แน่ลงไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็ต้องกลับมาฝั่งนี้แต่ข้ามไปไม่ได้พระที่บวชใหม่หรือจะบวชมาแล้ว10พรรษา 20, า่พรรษา3 0พรรษาสี่สพรรษาก็มีนะ่ะที่หวนกลับมาสู่ฝั่งนี้และเราออกจากฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้มันมีภัยอันตรายมีภัยอันตรายมากมีทั้งงูมีทั้งโจรมีทั้งเพชฌฆาต ที่จะมาตามฆ่าเราทําทําอันตรายเราเราใจกล้าห้าวหานออกจากฝั่งเพื่อจะไปสู่ฝั่งโน้นแต่เห็นภัยตรงนั้นเห็นภัยตรงนี้ภัยจากน้ําวนบ้างภัยจากคลื่นบ้างเห็นปลาอยู่ใต้น้ําบ้างกลัวจะกลับมาหาอะไรกลับมาหาความชิบหายกลับมาหางูกลับมาหาเพชฌฆ่ากลับมาหาโจรอย่างนั้นเหรอนะกลับมาให้มันฆ่าเรานะตายในน้ํำยังดีกว่าตายในน้ําก็ฆ่าเท่ากันแต่มันไม่ตายหรอกท่านผู้ฟัง อันนี้เป็นความกลัวเฉยเป็นความกลัวที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ลงสู่น้ําได้เหมือนกันเป็นความกลัวที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของพระที่บวชมาไม่ว่ากี่พรรษาก็ตามอะ่ะถ้ามีความกลัวสี่อย่างเหล่านี้เกิดขึ้นเขาอยู่ไม่ได้ก็ต้องหวนกลับคืนสู่ฝั่งนี้นั่นคือความเป็นกรวาดแต่ถ้าใจกล้าสู้ต่อไปนะภัยต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นภัยหรอกทั่เป็นความกลัวเฉยๆอย่างที่ว่านะเราต้องใจกล้าคนใจกล้า คนเข้มแข็งแล้วนะคนใจกล้าคนเข้มแข็งตัว น, นี้คือมีความเพียรทำจริงแน่วแน่จริงความเพียรทำจริงแน่วแน่จริงคือการพยายามไปด้วยมือและเท้าแต่นะคุณหามาละ่ะหาแพรมาคุณเจอแล้วด้วยแพรนะ่ยเป็นมาร์กแเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเป็นแพรที่จะพาเราไปสู่ฝั่งนู้นได้เราพยายามไปด้วยกับมือและเท้าออกบวชมาแล้วทำจริงแล้วกล้าหาญเลยทําให้มันสุดทําให้มันถึงฝั่งนูน้น อย่าทําให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลําบากด้วยเหตุแห่งธรรมเห็นเรื่องภายอะรนิดๆหน่อยๆอย่าไปกลัวน่ให้ต่อสู้สู้ด้วยธรรมะสู้ด้วยการที่อดทนสู้ด้วยความไม่เบียดเบียนสู้ด้วยเมตตาจิตสู้ด้วยความรักใคร่เอ็นดูสู้อย่างนี้แล้วมันได้ผลอย่างท่านพระปุกุสาตีหรือได้ผลอย่างพระปุณณา น, นี่จะเป็นผู้ที่ไม่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลําบากด้วยเหตุแห่งธรรมน่ะในเรื่องเนี้ยภัยสอย่างในธรรมวังนะไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนนะพระรูปไหน สึกลาสิขาไปก็ด้วยความกลัวภัยสี่อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนบางคนอาจจะเหตุผลว่าเออต้องไปเลี้ยงดูที่บ้านนั่นก็คือภัยคือน้ำฝนคุณกลัวภัยตรงนี้คุณก็ต้องกลับไปหากรา ม, มาคุณแต่เลี้ยงดูนะเป็นหน้าที่นะอาก็นั่นคือกรามไงนั่นคือการที่คุณจะต้องไปหาความสุขทางตางทาั้งหูบริโภคเสพเงินทองแต่บางคนก็บางคนก็ลาสิขาไปเพราะเรื่องผู้หญิงอันนี้ก็คือภัยคือปลาร้ายนะกลัวภัยตรงนี้ก็ต้องกลับเข้าสู่ฝัง แต่บคนก็เป็นเพราะว่าโกรธกับพระด้วยกันทำไมพระองค์นี้เป็นอย่างนี้มันมาบอกมาด่าฉันอันนี้ก็คือภัยคือคลื่นกลัวคลื่นทรายก็กลับเข้าสู่ฝังหรือว่าบางคนก็ป่วยเหตุผลคือเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นจะต้องกินตรงนั้นดูรักษาตรงนี้โอ้มันไม่ดีไม่ได้ก็ตูกภัยคือจระเกตคูครามเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ก็เป็นข้ออ้างทําให้เกิดภัยคือน้ําบนได้เหมือนกันละ่ละดังนั้นภัย4ี่อย่างนี้เป็นความกลัวเฉยๆ เป็นความกลัวที่เกิดจากสิ่งสอย่างเนี้ยเป็นภัยที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่ลงน้ํามาแล้วเป็นภัยที่เกิดขึ้นในจิต ใ, ใ, ใ, ใจของพระที่บวชออกมาแล้วนกําลังใคร่ครวญอยู่ไตรตรองอยู่ไอ้จะสึกดีไม่สึกดีอืมบวชมาเท่านี้ปรรษาแล้วออกพรรษาแล้วรับกตินแล้วเอ้ฉันจะอยู่หรือฉันจะไปดีเขาก็จะใคร่ครวญในสี่เรื่องนี้ตนนั้งแต่เด็กถ้าเบอกว่าเห็นแต่ภัยเหล่านี้ตัะวังมันไปไม่ได้เราต้องมองข้ามไปมองข้ามไปให้ถึงฝั่งโน้น มองข้ามไปถึงฝั่งนงน้นฝั่งโน้นมีอะไรมองให้เห็นฝั่งนี้ว่ามันมีอันตรายตรงไห น, นมองข้ามความกลัวเหล่านี้ให้ได้ข้ามไปถึงฝั่งนน้นถึงสามัญญผลนะว่าถ้าเราปฏิบัติพรหมชนถึงที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วมันจะได้ผลอะไรผลเป็นความรู้ผลเป็นอภิญญาผลเป็นสมาธิสมาบัติขั้นต่างๆให้เราทําใจอย่างมารึกตะมวังเหมือนเก้งหรือกวางที่จะไม่ทําผิดซ้ำสอง ถ้เราทำใจอย่างม้าอาชาในที่เมื่อถูกผู้ฝึกม้าชี้โทษแม้แต่เล็กน้อย mm. ก็พยายามที่จะใส่ใจเพ่งอยู่ในการที่จะทำให้มันดีถูกเขาชี้โทษนิดเดียวก็รู้สึกมีความละอายความกลัวนในการที่จะไม่ให้โทษนั้นเกิดขึ้นอีก เราไปวัดเราไปทํางานใดๆก็ตามเจอครูบาอาจารย์ที่เขท่านชี้โทษให้ตักเตือนให้เราต้องรีบใส่ใจอย่างดีในการที่จะทําให้มันดีขึ้นเห็นการที่ถูกชี้โทษนั้นเป็นเหมือนกับการถูกลงประตักแล้วทําให้มันดีพัฒนาให้มันดีขึ้นเห็นโทษโด้วยความเป็นโทษกระทำขึ้นตามดาเราจะดีขึ้นมาได้ให้เล็งเห็นถึงสามัญญผลอย่างนี้มันเลิศ ก, กว่าฝั่งนี้ที่มีแต่โจรมีอสสารพิษโจรก็คือพวกขันทั้ง5้าอสสารพิษก็คือาธาตุตั้งสและมีเพชฌฆาต เด็คือนันทิราคาความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินจะตามมาจัดการเราอยู่ตลอดเวลามองให้ข้ามถึงฝั่งนู้นได้ถึงสามัญญผลได้ข้ามความกลัวลนั้นด้วยความห้าวหาญความกล้าหาญเราจะไปถึงฝั่งนู้นได้ตั้ฝั่งสำหรับพระภิกษุที่คิดว่าจะลาสิกขาใคร่ครวญไตรตรองดูให้ดีอย่าทําให้พระพุทุเาเป็นผู้ลําบากด้วยเหตุแห่งดำแต่ให้เห็นถึงสามัญญผลถึงผลที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอยังเต็มที่ ปฏิบัติควรเพื่อรู้ทำเป็นเรื่องออกจากทุกข์วันนี้ได้พูดถึงเรื่องของจารุมัสูตรรมะฟังแล้วก็ได้พูดอีกนิดๆหน่นอยๆเกี่ยวกับพระสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เรียก ว, ว่าจุลอัสบุรัสูตรแตนะ่ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นลักษณะที่คล้ายๆกันพูดถึงสอนพระนะว่าการเป็นพระนั้นไม่ใช่เฉพาะมีจีวรมีสังฆติกลผมเท่านั้นแต่ว่าความเป็นพระนั้นมันอยู่ภายในในการที่เราจะละอภิชาความเป่งเลงเรื่องของกามต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกัน วันนี้ครับท่าชาพระมาหาภัยบูรณ์ได้มาทำหน้าที่ในการทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งถ้าท่านผู้ฟังจะมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆจะสามารถติดต่อสื่อสารกับมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษนียบัตรมาที่วัดป่า ด, ดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ปดตะมนดอนหายโศกอำเภอหนองหานจงังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทำเว็บไซต์เข้าไปที่ puredma.com p, com, p u r e d h a m m a c o m ส่วนในวันนี้ข้าพเจ้าก็จะไปแสดงธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ผู้ฟังที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าต้องการจะพบปะเจอะเจอในช่วงของวันศุกร์และวันเสาร์ในเวลา9ก้าโมงครึ่งท่านก็จะไปแสดงธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่โดวยวันศุกร์ก็จะเป็นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนก็จะเป็นที่วัดสวนดอกเวลา9ก้าโมงครึ่งเหมือนกันส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการซีดีรายการธรรมารมุน เราก็ยังแจกอยู่ในช่วงนี้ในโดยการทรงซองเปลา่าที่เป็นซอนการกระแท้ขนาด AC ซิตเติสแตม15บาบาทจากหน้าซอถึงตัวเองไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตนนวิภาวดีวรังสิตดินแดงกรุงเทพห0ึ่0นียแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูุญแต่พี่พุณโนก็ขอลาไปก่อนเชิญนัอน